ตั้งชื่อเป็นหมอประชุมเมตตาธรรมพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโน92ปี2548ก็ครอบ92ปี2548ตั้งชื่อเป็นหอปมมระ ช, ชุมของหลวงตา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 พอออกจากเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เลยไปกราบหลวงปู่หีอีกหลวงปู่ลีผ้าแดงที่เป็นดุลเพย์ที่อยู่ด้วยกันกับวงหลวงตาเป็นพระเถระผู้ใหญ่อายุของท่านกับแปดสิบกว่าปีแล้วนะแต่หลวงปู่เพียนกับหลวงปู่บุญมีบวชก่อนหลวง ป, งปวู่หลีหลวงปู่หลีบวชทีหลังแต่อายุอายุของท่านมากกว่า ท่านเป็นกระวานเคยมีครอบครัวมาแล้วจึงมาบวชเพรนั้นอายุของท่านจะมากกว่าหลวงปู่เพียนหลวงปู่บุญมีแต่พรรษาของท่านน้อยกว่าท่านบวชปี2492งานศพหลวงปู่มั่นงานประชุมเพลิงศพหลวงปู่มันที่ท่านบวชปีนั่นแหะปีหลงปู่มันดับขันประชุมเพลิงศพที่สกลนคร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 แต่บวชนั่นอ่ะบวชก่อนหลวงปู่หีปีหนึ่งมั้งท่านออกมาบวชแล้วก็หลวงปู่มันก็มาณะนาพปีนั้นแต่หลวงปู่หีบวชในงานศพหลวงปู่มันเพราะนั้นหลวงปู่เพงบวชก่อนแต่ก็คงจะเป็นปีเดียวกันนะต้นปีบ้างนั้นแล้วก็ห่างกันคงไม่กี่เดือนหลวงปู่เพงทําคงเพนแต่ก่อนท่านเป็นเลนหลวงปู่มันด้หลวงปู่เพงนี่นะหลวงปู่เพงเนี่ยเป็นเลนอยู่ในวัดบ้านหนองผือ เน้นใหญ่ว่าะงั้นน้ะหังจา ก, กได้บวชตอนที่หลวงปู่มั่นป่วยเพียบหนักก็ได้ออกมาบวชข้างนอกแล้วกลับเข้าไปจากนั้นก็ออกมาจัดงานประชุมเพิงศพหลวงปู่มั่นในวันนั้นเมื่อวา น, นก็เลยไปขึ้นไปกราบเจดีย์หลวงปู่ขาวไปเห็นเจดีย์หลวงปู่ขาวคราวนี้รู้สึกช่างเขาซ่อมรู้สึกเออดีแต่ไปคราวก่อนๆไปเห็นนั้น รู้สึกว่ามันกระบุ่งกระเบื้องอะไรมันก็แตกดูๆแล้วไม่ไม่เจริญตาว่างั้นจ้ะไปข่าวนี้วันนี้เมื่อวานนไปเออดูสิช่างเขาซ่อมดูแล้วอยู่ในสภาเนี่ยแหะเจดีถ้าเรานานๆไปถ้าไม่ซ่อมมันมันไม่ได้แล้วมันต้องตรงไหนที่มันไม่ดีกระเบืองมันแตกมันหลุดมันเล้ามันอะไรมันก็ต้องได้จุดได้ยาได้ทําความสะอาด น้ำถูกน้ำยาล้างแต่เมื่อวานเขาไปการาบกระวะเจดีหลวงปู่ขาวเสร็จแล้วก็เลยลงมากราบหลวงปู่เพ็งในทร้าบข่าวท่านไปนู่นไปเพชรชณนโลกก็เลยไม่ได้กราบท่านกเฝากแต่ของกระวะไว้ที่นั่นจากนั้นก็เดินทางกลบับมาถึงวัดก็คำ่ำพอดีเมื่อวาน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 ดังนต่อไปเนนนี้คงจะหมดนะเบนเสียจะพวกเนนมาจากไม่เจริญถิ่นไม่เจริญภูเขาเนอะเอออาจจะมีอยู่แต่เนนในเมืองเนนในชนบทเนนในพวกบ้านเราทั้งหลายเนี่ยเขาคงจะหมดแล้วบังนั้นคนเนนที่วัดเทาก็เห็นไหมแต่ก่อนลุงพ่อก็คุยได้ว่อเราเคยเป็นเนนมาก่อนเราเป็นเนนตั้งแปดปีพราะเนนที่วัดเรานี่ยไม่เคยขาดเนนมีตั้งเยอะแยะตลอด เรียนศลสห้าองค์3 4สีองค์ผลที่สุดก็หมดหมดมาหลายปีนะบวชเข้ามากับส่งไปเรียนหนังสือจะอยู่วัดป่าไม่ได้เพราะมันกฎหมายให้ไปอย่างนั้นมันก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองเขาเพราะงั้นจึงไม่มีสัมมาณวัด ต, ต่างๆไม่มีสัมมาณพิกษุนีก็เคยหมดมาแล้วนะพุทธบริษัท4พิุนีหมดมาแล้ว ภิกษุสัมมาเนนเอาสัมมาเนนมาแทนแทนภิกษุณีและก็หมดอีกคงจะเป็นพุทธบริษัทสามวันภิกษุอุบาสกอุบาสิกาดีนะมันน้อยลงมันก็ดีนะมันดูแลง่ายวะถ้ามันมากามันดูแลยากถ้ามันน้อยก็ดูแลง่ายเนี่ยพระในข้างพระพุทธเจ้ามีโยมคนหนึง่ง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 พระสงฆ์ท่านบอกเออเมื่อให้ทาน เ, ออเต็มที่แล้วก็ควรจะรักษาศีลห้าพอรักษาศีลห้าจบแล้วตู้ิ่งจิตใจยังาภาคภูมิใจอย่างมากพราอะไรรักษาศีลด้วยให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยเ อ, อ๊ท่านพระคุณท่านครับผมอยากจะได้บุญมากกว่านี้ทํำยังไงพระท่านพิจิเป็นประธานสงฆ์เออรักษาศีลอุโบสถรักษาศีล8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 อุปชา อ, อาจารย์ท่านก็บอกไม่มีทางอื่นแล้วก็นอกจากบวชเป็นพระบัดเอยากจะได้บุญมากก็บวชเป็นพระปฏิบัติเสา ะ, ะแสวงหาทางพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกในวัฏฏะสงสารเป็นพระนะ่ยต้องตัดจากโลกไปเลยเอา่าวบวชก็บวช เ, เตรียมตัวบวชพอบวชเสร็จแล้วท่นี่อุปชาก็สอนอนุสา กิจที่ควรทำและกิจที่ไม่ควรทำกิจที่ควรทำของพระนั่นคืออะไรในเมื่อบวชเข้ามาแล้วอนุสาสแปดอย่างนิสัยสีกิจที่ควรทำสีอย่างกิจที่ไม่ควรทำที่หนักหนาที่โทษประหารมีอยู่สีเรียกว่าอกรณียกิจสี่อกรณีแปลว่ากิจที่ไม่ควรทำกรรณียกิจกิจที่ควรทำอากรณียกิจคือกิจไม่ควรทา อย่างละสี่อันนี้จากนั้นก็สอนอรศาสร์สอนการเป็นอยู่ของพระควรทำตัวอย่างไรจากนั้นพอเสร็จสอ น, น, นก็อา้าให้ตั้อกตั้งใจภาวนานะสอนกรรมาฐานห้าเพิ่มเติม่าอีกจากนั้นไปไปหาอาจารย์าอาจารย์ยคืออาจารย์สอนวินัยบ เ, ยเมื่อท่านโวชเข้ามาแล้วตั้งต้รักษาศีลส2ยิข้อนะ นอกจากศินสองี่สิบข้อยังมีอีกสินอภิสมาจารท่านต้องป่งผมท่านต้องตัดเล็บท่านต้องป่งนวดท่านต้องแปลงฟันท่านต้องอาบน้ําเหล่านี้แหละให้ค้าว่าเป็นศินนอกพระปฏิโมกได้ไม่ไม่ใช่สินในปฏิโมกได้ป่านนี้ศี่สิบเจ็ดั่นอีกอย่างหนึ่งเลยสินนี้สินนอกพระปฏิโมกอีกเป็นร้อยรพันพันว่านั้นเลยอาจจะว่าเป็นหมื่นก็ได้ว่างั้นเถอะ ่ถ้าดูในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าห้ามสิง่งไหนก็เป็นอวบัตทุกกฎบงังเป็นปาจิตติบงังเป็นทนุนละใจบงังแต่อวบัตที่พื้นฐานก็มีอยู่แล้ว227ข้อโอ้เจนิพพอบวชก็มาอาจารย์สอนวินัยแต่นั้นอึดอัดเลยบาทนี่ตายตายตาย ต, ย ต, ยตยข้าพระเจ้าอยากจะได้บุญมากบาทได้กลับมาอึดอัดใจอีกเอาอย่างไงวะ ค่าจะรักษาสินห้าค่าจะรักษาได้ยังไงมันรักษาไม่ได้ไอ้นี่รักษาศินสองี่สิบเนี่ยก็พอแรงอยู่แล้วยังสินในพิ ษ, ษมาจานอีกคิดแต่ไปที่ไหนก็ไม่ได้แตนี่มีต่อบัตทั้งนั้นเลยแต่นี่มีแต่โทษทั้งนั้นเลยโทษคือสิ่งที่ห้ามพระพุทธเจ้าห้ามทำํำคือตีกรอบไปเลยว่างั้นเถอะตีกรอบไปถียิบเลยให้เข้ามาทํำล้วงสองข้างเลยให้เดินตรงไม่ออกนอกลูก่นอกทางการออกนอกลูก่นอกทางมันเสียเวลา มันช้าในการเดินทางเพราะท่านต้องตีทางสนมสองข้างให้ถีไวเลยงั้นเถอะถ้าจะว่าไปเลยข้างละสองรยี่สบห้าลาวงั้นเถอะมันถีขนาดไหนเนี mm hmm. ลาวสองอยี่สิบห้าลาวสองข้างให้เดินตรงกลางมันถีขนาดไหนก็ตองโออึดอัดงั้นเถอะตอนที่เขาไปหาอาจารย์เลยโอ้ท่านอาจารย์ผมคงอยู่ไม่ได้หรอกผมอยากจะลาศิกขาแล้วทําไง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 ผมขอลาผมขอเทิดทูนแต่ว่าผมปฏิบัติไม่ได้ผมยอมแพ้ที่นี้ทํำยังไงพระที่เป็นอาจารย์พระที่เป็นอุปัชาครับเพราะพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นาศาสนาถ้าคนมาปฏิเสธอย่างนี้เราจะให้ตอบอยังไงมันคนเกิดบวชเข้ามาแล้วก็ต้องอึดอัดอย่างนี้ก็นําไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติพินัยเนียพระพุทธเจ้าเออไทยอย่งงางนั้นก็ ท่านไม่ต้องปฏิบัติตามวินัยของเราก็ได้นะอันนี้วินัยของเราก็นั้นแหล ะ, ะยืดหยุ่นเหมือนั้นเถเห็นแก่คนรูปหน้าป่าจมูกพระพุทธเจ้าท่านบารีว่าอย่า ง, ง น, นั้นเถิดเข้าไปหาท่านไปไงภิกษุเธอทําไมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพระเจ้าค่านะกระผมคิดว่าอยากจะได้บุญเป็นกระ ว, วาดก็ให้ทานรักษาศีลไล่มาตามขั้นตอนจนถึงอยากจะเป็นได้บุญมากกระโบดเป็นพระ พอปวดเป็นพาระอรูกับผมศึกษาวินัยกับอาจารย์แล้วผมทําไม่ได้วินัยสูสุดว่าเข้มงวดขวดขันมากถ้าผมทําไม่ได้ผมไปกินข้าวของเจ้าบ้านเป็นบากเป็นกรรมผมกินข้าวของตัวเองไปทํามาหาเลี้ยงชีพแล้วก็ทําบุญทําทานไปสบายใจกว่ากับผมผมเลยจะขอลาศิกขาขอลาสิกไปเป็นครว่าต์ไปเจ้าขาพระพุทธองค์ก็บอกว่ า, วาเธอรักษาอันเดียวได้ไหม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 อย่าไปคิดในทางที่เป็นอกุศลอย่าไปคิดเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปคิดโลกโกรธุงอย่าไปในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้คิดอยู่ในทํานองครองธรรมให้มีพุโทโธอยู่ในใจให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอย่าไปคิดไปทางอื่นดูใจตัวเองอย่างเดียวได้ไหมได้พะเจ้าขาวจะได้กับการกราบพระพุทธเจ้าลงมา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 ฟิตเรื่องปัญญาขึ้นมาในจิตในใจฝึกซ้อมขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาคิดขึ้นมาก่อนที่จะปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ต้องใช้ความคิดต้องใช้ปัญญาต้องใช้เหตุและผลที่จะต้องเอาชนะจิตใจตัว น, นั้นเมื่อเอาชนะจิตใจอันนั้นได้แล้วแปลว่าชนะเป็นอนันตการด้วยปัญญาสัมมาทิฐิเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้สอนจุดอื่นนะ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 ถ้ามันไม่ดีแล้วอย่าทำอย่าพูดอย่าคิดอีกต่างหากพราะทำไปแล้วกรรมแต่และมันจะตามสนองไม่พบเรก็ต้องชาติหนึ่งมันมาจะย้อนมาหาตัวเองเพราะตัวเองทํากรรมที่ไม่ดีเอาไว้เห็นเพราะนั้นพวกเราให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนะกรรมมันคือการก ร, รนะทํำมันออกไปจากใจของเราทั้งนั้นแหละอืมมโนุกพังคมาธ ร, ร ม, มามโนเสถามโนมายานะเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้า พอพูดใึเจ้านี่เน้นหนักเรื่องใจเป็นสําคัญแต่แตอนี้ทางว่าเอาใจอย่างเดียวใครก็ไม่รู้ก็ต้องมีออกแสดงออกมาว่าการกระทําควรทําอย่างไรให้มันถูกต้องการที่จะพูดพูดอย่างไรมันจึงจะถูกต้องและตอนี้ก็ออกเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นกฎเป็นหมายออกมาแล้วเป็นหลักธรรมพินัยออกมาเพื่อให้พวกเราได้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 เข้าทั้งล่าทั้งหน้าทั้งข้างก็ได้อยู่ในบ้านในเมืองมีหลายประตูว่างั้นไม่มีใครอยากจะเข้าแต่ประตูคุกประตูตารางเน่ะใส่กุญแจทั้งสามชั้นะยังเรียงคิวกันยาวเหยียดอยากจะเข้าคุกเรียงแถวกันว่างั้นะเรียงคิวกันเอเพื่อจะเข้าคุกมันเป็นยังไงมันมึงเป็นอย่าง ไ, ไาง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 นะวัดวาศาสานามีแต่สอนกันอย่างนั้นไม่มีใครอยากจะเข้านู่นแะย่งชิงกันลงนรกเลยแย่งชิงกันเข้าคกุกเข้าตารางแล้วนะนะนะพิจารณาดูสิที่หลวงพ่อพูดนี่มีส่วนไหมหลงพ่อว่ามีส่วนทีเดียวล่ะเพราะน้งใจของเราไปเช่นเดียวกันนะั่นแหะแต่ละวันแต่ละเวรามันไหลไปทางไหนให้พวกเราสังเกตดูกัแล้วกันไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกวัวของเราเอง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 มีแต่ความร่มเย็นเป็นถูกกิเลสออกจากใจทางกิเลสอยู่ในใจเยอะแยะมีแต่ความทุกข์ร้อนระทมอยู่ในจิตใจนั่นแหละ